เมาดูนะว่าเมื่อขนาดเนี่ยรับกรรมะอารมณ์ที่ดีกรรมะนิมิตที่ดีแล้วก็คตินิมิตที่ดีเพราะฉะนั้นไอตัวที่จะทำให้ข้ามจากอบายแน่นอนเลยเห็นเห็นเลยนะอนุภาพดีที่สุดก็คือนึกถึงศีลอ่ะ น, นะข้ามพ้นอบาย เพราะฉะนั้นก็มาเป็นมนุษย์ใช่ไหมก็มาเกิดแบบมนุษย์โตแบบมนุษย์กินอาหารแบบมนุษย์แก่แบบมนุษย์ป่วยแบบมนุษย์แล้วก็ตายนนนนมนุษย์ตายมนุษย์ตายอนะแต่ว่าไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ใหม่นะไม่มีอะไรรับรองว่ามาใหม่คุณวิลาวันเอาไหมมาตามรอยเดิมหมดเลยลืมถามไม่เอาอีกเหรอเขาก็อยากไปเมืองนอกเมืองนากันทั้งนั้นแหละอยากจะไปที่ดีกว่าอ๋อตรงไหนทวีปไหน อ๋อแล้วอ่ะถ้ามันเลือกได้ก็น่าจะไปเกิดเมสวรรค์นี่มันเลือกไม่ได้ต้องนรกไม่เอาดีกว่ า, า <c oughs> กับกรุงเทพเอาไหม <c oughs> เมืองสวรรค์นเนยเมืองเทวดานะแต่มันเลือกได้ก็น่าเลือกทีนี้มา ด, ดูต่อไปว่าตัวสีเนี่ยเป็นตัวที่ข้ามอบายอันนะตัวตัวที่ปิดอบาย ถ้านึกถึงศีลอะไรไม่ดีไม่เป็นที่ปลื้มใจอะไรเลยนะอบายยังพ้นไม่ได้จะกล่าวไปยายถึงนิพพานมันจะไปนึกถึงกระว่าข้ามขั้นเกินไปเพราะฉะนั้นถ้าจะปรารถนานิพพานนะปิดอบายก่อนมีทรัพย์ศีลอะไรพอที่จะปิดอบายทรัพย์ที่จะปิดอบายนั้นคือเครื่องคือศีลบางคนเนี่ยลัดมาจะเอาวิปัสสนาวิปัสสนาอย่างเดียว ไม่รู้ว่าศีลมันคืออะไรอบายมันคืออะไรก็ไม่รู้แหละจะขอวิปัสนาให้มันบนรรลุเลยบรรลุอะไรก็ยังไม่รู้อีกเหมือนกันไม่เข้าใจเหตุผลกติกาเบื้องต้นเบื้องปลายอะไรสักอย่างก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วทีนี้ก็บอกว่าถึงเป็นมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะก็สมมว่ามนุษย์เนี่ยก็เดือดร้อนอย่างที่เราเราท่านท่านเดือดร้อนกันเนี่ยนะนี่มนุษย์นะอย่างดีแล้วนะถ้าเทียบกับอบาย ถ้าเป็นสัตว์อบายนะนั่งสบายๆยอย่างนี้แม้แต่ชั่วโมงเดียวก็ไม่ได้นะตลอดชีวิตนะไม่ได้จริงๆเขาเดือดร้อนตลอดเลยนี่เป็นมนุษย์นะถ้าเป็นเทวดาอีกผูการนะอย่าลืมนะอย่าลืมทานนะอย่าให้เลยเวลา1งมือนะถ้าเกิดเป็นเทวดานะเลยไม่ได้นะตายตายอย่างเดียว ล, ลืมกินมือเดียวนะลืมกินยามือเดียวตาย <laughs> เทวดาเนี่ยนะถ้าจะว่าบอบบางก็บอบบางมากเลยนะ ลืมกินหนึ่งมือเนี่ยตายเลยแต่ไม่ใช่ว่าตายทันทีอ่ะนะคือในที่สุดตายเหมือนกับว่าอะไรนะท่านบอกอุปมาเหมือนดอกบัวที่ถอนออกมาตากแดดเนี่ยนะถึงตอนหลังนึกได้กินก็ไม่ได้แก้อะไรเพราะว่ามันเฉาก็าบอกว่าอย่าลืมกินอาหารคือทำไมอ่ะนะเพราะว่ามัวแต่เที่ยวเพลินเล่นเพลินอ่ะนะนก็ ประการเคยเป็นงานบางอย่างลืมกินข้าวมีไห ม, ม, มเล่นเล่นอะไรบางอย่างเพลินบางอย่างลืมกินข้าวไปมื้อหนึง่งเลยนะลืมลืมกินข้าวเที่ยงอ่ะนะก็บอกว่าพวกนี้เขาเรียกว่าขิดดาปโตสิกะพวกเทวดาที่สนุกกับการเล่นนะเล่นนะถ้าถ้าพูดอย่างงี้นะอ่า น, นึกไม่ออกหรอกพวกที่เล่นคอมเล่นอะไรบางทีนะเล่นสว่างคาตาเลย<ร>พวกเล่นสายกีฬานะค<ร>ุณสวัสด์ตอนเล่นสนุกนี่ลืมกินข้าวมีไหม มีมีผู้รับรองอันนั้นเ <c oughs> ลิบกินข้าวนะ <c oughs> <c oughs> มันน่ะถ้าไปสวรรค์ น, นี่อย่าลืมนะยังไงก็อย่าลืมกินเนะนะกันหนึ่งก็อย่าไปโกรธใครข้อที่สองก็อย่าไปโกรธใครเขาเดินปาดหน้าบ้างอะไรบ้างก็อย่าไปโกรธ์นะเขาเดินปาดหน้าบ้างเขามีนางฟ้าเยอะกว่าก็อย่าไปอริษยาเขานะ แม่งั้นเดือดร้อนแนะ่แตเห็นเขาแล้วหมันไส้เขาแล้วเขาโกรธกลับมานะตายทั้งคู่เลยนะะก็นี่ก็คือโทษของความเป็นเทวดาถ้าตายแบบลืมกินนะ่ะเกิดที่ไหนอะยงงบายตายแล้วโกรธตายอบายอีกโดยมากนะเราพูดถึงปริมาณประชากรโดยมากของเทวดา พะพุทธเจ้าตรัสว่าเทวดาสู่ความเป็นมนุษย์น้อยนักเทวดากลับไปหาเป็นเทวดาคืนก็น้อยนักโดยมากก็อบายมากกว่าอันนี้ผมก็ยังตรัสอย่างนั้นเลยนะเพราะไปเป็นเทวดานะั้นทําอะไรกินบุญเก่าอย่างเดียวอะ่ะน น, นเหมือนกับว่าเกิดมาชาตินี้อยู่แต่ในห้างสรรพสินค้าเที่ยวห้างหนึ่งถึงห้างหนึ่งจ่ายอย่างเงี้ยไปเรื่อยเลยนะมีความสุขกับการจัดจ่ายใช้สอยเนี่ยถามมานึกถึงทานนกะุศลไหม ย, ยากศีลกุศลภาวนากุศล บางพวกก็ถือว่านั่นแหละสุดยอดแห่งความสุขแล้กวก็เลยลืมเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็อาจจะลืมกินแล้วก็ไปโกรธแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือหมดอายุอยู่ไปเพลินเแล้วหมดอายุกับหมดบุญเรานี่ควรจะอยู่ประเภทไหนชนประเภทหมดอายุหรืออยู่จนหมดบุญ เอางี้นะว่าประเภทหมดบุญเนี่ยสมมติว่าดาวจาตุ่มนะเขามีอายุเก้าล้านปีเราอาจจะมอีอยู่แค่ปีเดียวหรือจนถึงเก้าล้านปีเนี่ยหมายว่าหนึ่งจนถึงเก้าล้านปีนี่มีสิทธิ์ตายได้หมดเลยทุกระหว่างเลยถ้าหมดบุญนะนะเหมือนอะไรเหมือนเครื่องบินควรจะบินได้อีกไกลามากเลยแต่ว่าเอาน้ํามันน้อยไปหน่อยตกเลยวอบขึ้นมาอันนี้เรียกว่าตายเพราะหมดบุญถ้าตายเพราะหมดอายุก็คืออยู่จนเต็มพิกัดของเข้าเลยยังไงก็ตายอยู่ดี เรานึกถึงภาพที่เป็นกามที่เป็นทิพย์เนี่ยเรานึกเรานึกไม่ออกว่ามันมันพิสดารยังไงมิฉะนั้นเนี่ยพวกบรรดารเทวะ ท, ทั้งหลายเนี่ยจะไม่จะไม่หมกมุ้ น, จ ะ, น them, จะไม่ลืมขนาดลืม อ, อย่างนั้นแน่นอนก็พูดแบบง่ายๆนะว่าทุกคนเนี่ยมองเห็นทุกคนเหมือนบุเพเทสันนิวาสหมดจะเหมือนจะเป็นยังไงนะใจไม่ปกติกับเห็นกับทุกคนเนี่ยนะอย่าว่านี่เลย เท้าส ก, ก่าเนี่ยก็เห็นก็ยังยังเป็นแบบนั้นเลยนะก็จกะกล่าวไปลายถึงผู้ที่มีบริวาร น, น้อยๆทั้งหลายนั่นก็มันจะเพลิดเพลินปานใดเนี่ยนะอย่างปัญจสิกขาคนทันเทพบุตรเนี่ยนะเขาใช้เวลาจีบไนางฟ้าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยโอ้ยหลายปีมากเลยนะเพราะเข้ามัวแต่ไปติดชายคนอื่นอยู่นะตัวก็ไปเที่ยวจีบเขาอยู่นั่นแหละตามเขาเลยก็ลืมหมดนะนะเพราะมัวแต่เที่ยวงานโน่อนออกงานนี่เลยหมดบุญเลย ก็ถ้าพูดแบบสมัยเนียนะชายหนุ่มที่เที่ยวเพลินและตายในระหว่างการท่องเที่ยวเนี่ยไม่ใช่น้อ ย, อยใช่ไหมก็เทวดาทั้งหลายก็ลักษณะนั้นก็ไม่ใช่น้อยอะไรเพราะฉะนั้นเทวดาทั้งหลายเนี่ยถ้ามองไปแล้วมันก็ไม่ได้น่าเพลิดเพลินอะไรใช่ไหมลืมกินตายโกรธตายทําบุญไปน้อยตายอยู่จนหมดอายุก็ตายถ้าหมดอายุนะถ้าบุญไม่จริงๆอ่ะมันต่ออีกไม่ได้มันต่ออีกไม่ได้ออ ก, ไไดก็ต้องกลับอ่ะ เนี่ยนะก็ต้องก็ลงมาอีกลงมาใหม่จะมาอยู่ทีนี้ถ้ามาลงนะมนุษย์เนี่ยมันก็แล้วแต่ยุคสมัยยุคเจริญยุคเสื่อมยุคเจริญยุคเสื่อมถ้าเราเนี่ยนะบุญนําเกิดมาเกิดในสมัย ส, ยสงครามเราจะมาเป็นอะไรมาเป็นทหาร <laughs> มาเป็นนายพลเลยอ่ะ <laughs> เป็นแม่ทัพเลยนะเรียกว่า <laughs> แม่ทัพปราศรึก <laughs> พลทหารเนี่ยเวลาเขาฆ่าคนเนี่ยเขาก็ฆ่าทีละคนใช่แต่ถ้าในถ้าในร้อยก็ฆ่าทีละเป็นเป็นเป็นร้อยคนถ้าในพันก็ฆ่าเป็นพันถ้าเป็นแม่ทัพโอฆ่าเป็นกองทัพเลยก็ก็ดูนะสมมุตินะถ้าพูดแบบแล้วถ้าละใครอ่านนิจชายจีนมาเยอะๆหน่อยนะเอาไหมมีบุญเกิดบ้าเหมือนเท่าของเบ้งถ้าตามประวัติศาตามหนังสือสามก๊กก็แล้วว่าคงเบ้งเนี่ยนะฆ่าหลายล้าน วางแผนฆ่าเป็นหลายล้านนะถ้าถ้าถ้ามีบุญเกิดเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าสมมตินะถ้าขอมาเท่าของแบงนะขอเกิดมาปัญญาอ่อนดีกว่าถ้าเกิดในสมัยแบบนั้นนะขอเกิดมาแล้วปัญญาอ่อนเนี่ยนะมีเมื่อวานยมน้อยก็บอกว่าถ้าไปเกิดบางอย่างนะเขาเขเกิดเป็นหมาดีกว่าไปเกิดเป็นบางคนอยู่บางแห่งบางที่นะก็บอกขอเกิดเป็นหมาดีกว่าก็บอกงั้น ัเมใบกลัวเกิดนันพรลานนันเมีใบกลัวเป็นกรแกทเป็นใบทนก็มันเป็นเทวดาถามว่าหน้าปรารถนาเมื่อพิจารณาโดยรอบครอบโดยแยกคายแล้วนะเทวดาทั้งหลายก็คือบริโภคกรรมเพลิดเพลินในรูปเสียงเปลี่ยนรสโพธิภพที่หน้าปรารถนาหน้าใคร่หน้าพอใจเนี่ยนะ เป็นที่ตั้งแห่งความกําหนัดเป็นที่ตั้งแห่งความหมกมุ่นเป็นที่ตั้งแห่งความเพลดิดเพลินพอมาไม่ต้องว่าอะไรเล่นการพนันบางอย่างเนี่ยเล่นไพ่กิ๊กก๊อกธรรมดาเนี่ยลืมกินข้าวอะถ้าไม่ได้กินข้าวเลยนะตอนมั น, ม, นมันติดมากอะมันหมกมุ่นอยู่นั่นแหละ <c oughs> เหมือนกับคนเล่นคอมพิวเตอร์เนี่ยเล่นไปเล่นมาเล่นอินเทอร์เน็ตลืมนอนอย่างเงี้ยนะสว่างคาต า, าเลย เทวดานี้มีโอกาสทําบุญตรงไหนบ้างก็ตอนที่เขามีการฟังธรรมบ้างเป็นครั้งคราวถ้าเป็นสมัยที่มีพระพุทธศาสนานะไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นต้นก็ไปโปรดพุทธมารดาก็ต้องส่สวรรค์เป็นต้นใช่ไหมถ้าเป็นอยู่ในสมัยที่มีพระพุทธเจ้าอยู่นะไม่ไม่ค่อยใช่ปัญหาเพราะจะมีโอกาสทําบุญหลายอย่างเช่นลงมาทําพุทธบูชาบ่อย ลงมาฟังธรรมบ่อยพระพุทธเจ้าแสดงธรรมที่ไหนก็ตามไปฟังธรรมได้หมดใช่ไหมไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารการกินอะไรเป็นต้นเนี่ยนะก็ถ้าเป็นสมัยที่มีพระพุทธเจ้าสมัยที่มีผู้ทรงคุณอยู่ก็ไม่ค่อยใช่ปัญหา น, นะแต่ถ้าสมัยที่ไม่มีผู้มีบุญเลยไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระอรหันต์เป็นต้นเนี่ยนะเราจะทํำยังไงเพราะเทวดาก็ไม่ได้เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งหมดนะเมื่อไปเกิดเป็นเทวดาไปอยู่พักไหนคระนี่พักมาร น, นะเดือดรอนะ้อนแน่นะพญามารพากินเหล้าอย่างเดียว พาเที่ยวกับพากินเหล้านะแล้วก็เล่าอ่ะถามว่าเทวดาทําอะไรบางทีเล่นการพนันกันเล่นนะอางถ้าเทวดาระดับจาตุ้มลงมาบางทีก็เล่นการพนันกันแข่งกันเล่นเอาบริวารอ่ะนะเอาบริวารไปชนะก็เล่นเอาแก้วเอาเพชรเอาอะไรกันบ้างนะก็หมกมุ่นในการพนันเป็นต้นแล้วก็ท่าเมื่อเป็นมนุษย์กับเป็นเทวดาเนี่ยนะที่ไม่ประมาท น้อยนักเพราะว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมีวัตถุกรรมเป็นที่มายินดียินดีแล้วในวัตถุกรรมยินดีในสัพพาวัตถททุทั่วไปเพราะถ้าถ้าอย่างยุคนี้ก็พอพออาจจะมีไปได้เช่นเพราะว่าในเทวดาผู้ใหญ่โดยมากเป็นพระอริยะกันนะนะแต่ว่าเราจะไปหาท่านหรือเปล่าแคนน่นั้นเ เพราะว่าพอไปหาท่านนะท่านก็จะเตือนบอกอย่าบริโภควัตถุ ก, กรรมไม่มากนะอย่าไปเพลิดเพลินมากนะาอะไรมากนะอาจจะไม่ค่อยชอบฟังอีกก็ได้เทวดานี่มีหวยไหมครับมีบตเตอรี่หรือ่าไปถามท่านดู <c oughs> ทีนี้มาดูต่อไปว่าแม้กระทั่งวัตถุ ก, กรรมทั้งหลายก็ก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้ถ้าเราจะออกจากพบที่เป็นกรมต้องทำยังไงก็ฌานอย่างเดียวอะ ถ้าไม่ได้ฌานเนี่ยข้ามเทวดาไม่ได้ข้ามการเกิดเป็นมน chutz, nerve, alcohol, bah, are are onun, ุษย์กับเทวดาไม่ได้ก็มาดูไล่ถ้าเกิดเป็นพรหมอันนั้นเกิดเป็นพรหมเนี่ยดีเยี่ยมอย่างนี้นะถ้าเกิดเป็นพรหมปฐมฌานภูมิทุติยฌานภูมิตริติฌานภูมิทีนี้อยู่ไปแล้วอยู่ที่นั่นไม่ได้ไปเจริญฌานต่อถ้าหมดบุญแล้วถามว่ามาเกิดอยู่ยุคไหนอ่ะมาเกิดเป็นมนุษย์ยุคไหน เพราะว่าพระผู้เทอเจ้าเนี่ยนะไม่ได้มีอยู่ตลอดการตลอดเวลาไหมถ้าหมดบุญจากพรหมก็มาสู่ความเป็นเทวดาและเก็มาเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นก็วนกลับไปหาอบายอีกตามเดิมจากอบายก็วนกว่าจะวนขึ้นเนี่ยนานมากะนะนรับเคราะว่าลงไม่ค่อยยากแต่ขึ้นยากยก็ไล่ก็อยู่อย่างนี้แหละทีนี้ถ้าเห็นโทษแหมกระทั่งของพรหมทั่วๆไปก็มาเจริญอรูปฌาน นะก็จึงจะออกจากอารูปจึงจะออกจากพรอมได้แต่ทั้งนั้นก็ผู้มีปัญญาทั้งหลายเ้าก็เห็นว่าวัตถุเหล่านี้คืออะไรคือวิบากกับกรรมชรูปวัตถุเหล่านี้คือชรากับมรณะเนี่ยนะชรากับมรณะเท่านั้นเอง น, นะก็ไม่มีอะไรก็มีแต่ชรากับมรณะก็มีแต่กองทุกที่เห็นเห็นกันอยู่ พันสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ถ้าเป็นอบายก็ทุกข์ก็ทุกข์ใช่ไหมมนุษย์เทวดาบางทีก็เป็นวิปริณามทุกข์บ้างสังขารทุกข์บ้างพรหมก็เป็นวิปริณามทุกข์บ้างสังขารทุกข์บ้างแต่สรุปว่ารวมๆไปแล้วก็คือตัวทุกข์คือตัวอุปาทานขันห้าทํำยังไงเนอจึงจะออกจากสิ่งเหล่านี้ได้ก็ดูวัชรามรณะมีอะไรเป็นปัจจัยก็มีชาติเป็นปัจจัยแล้วชาติมีอะไรเป็นปัจจัย เนี่ยนะชาติก็มีกรรมเป็นปัจจัยแล้วกรรมมีอะไรเป็นปัจจัยเนี่ยนะเนี่ยนะกรรมมีอะไรเป็นปัจจัยอะนะสรุปทวนใหม่นะชรา ม, มรณะมาจากชาติชาติมาจากไหนกรรมเนี่ยนะก็อากุศล12 มากุศลแอันนี้รูปาวจรกุศลห้รูปาวจรกุศล4อันนี้มาจากไหนอกุศล12ตันหาอุ ป, ปาทานอันนี้มากุศลแก็เบื้องหลังก็คือตันหากับอุปาทานรูปาวจรกุศลอรูปาวจรกุศลก็เบื้องหลังก็คือตันหากับอุปาทานเนี่ยเนี่ย ใช่ไกลหน่อยแต่ก็ไม่ใช่ไกลนะเพราะว่าถามว่าไม่ใกลเนี่ยดูอะไรดูจากสุขเวทนาเพราะว่าตัณหานี่มาจากไหนตัณหาทั้งหมดมาจากเวทนาทั้งที่เป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเพราะฉะนั้นสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาเป็นตัดใจแก่ตัณหาอุปาทาน สายอ ก, กุศล12เวทนาเหล่านี้ของบางท่านเป็นปัจจัยแก่มหากุศลบางท่านเป็นปัจจัยของมหักขตะกุศลท่านเวทนาเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นผลพวงของอะไรอันนะของวัตถุวิญญาณอารมณ์ พันวินเวทนาพวกนี้เป็นผลพวงของอารมณ์ชีวิตถ้าประสบกับอิทารมณ์มากสุขเวทนาปาเกี่ยวกับอนิถารมณ์มากทุกขเวทนามัชตารม์มากอุเบกขาเวทนานั้นก็สรุปว่า ม, มาจากเนี่ยเช่นอาศัยจากขู่กับรูปเกิดจากขูวิญญาณถ้า เจอรูปที่ดีเป็นอิทธารมณ์เกิดให้เกิดเป็นปัจจัยแก่สุขถ้ารับอนิธารมณ์เป็นปัจจัยแก่ทุกข์ถ้ารับมัชชตารมณ์ก็เป็นปัจจัยแก่หุทุกขมสุขเนี่ยนะเป็นปัจจัยแก่อุเบกขาเวทนาในทวารหเป็นอย่างนี้เพราะในทวารหบางกลุ่มเนี่ยนะเมื่อรับผัสสะผู้การอาจจะนึกถึงสีเลก่อนนะเช่นรับอารมณ์ใดๆก็ตามนะี อิทารมา น, นิธาร ม, มัชตารมนึกถึงศีลนนะถ้าเป็นคนรักศีลหน่อยนะพวกที่รักสมถะทั้งหลายรับอารมณ์ใดเขาก็จะเจริญสมถะคนทําชั่วนะจะรับอารมณ์ชนิดใดมันก็จะทําชั่วมันก็แล้วแต่การแล้วแต่อะไรมหคือพูดถึงตรงนี้นะว่าเมื่อรับแล้วแก้ปัญหาพวกนี้นะ แก่ตามไหนนะถ้าบอกว่ามาจากมิตรเป็นหลักโดยมากเลยนะอ่าก็แล้วนะโดยมากจริงๆแล้วสังคมสิ่งแวดล้อมหรือมิตรหรือวิชาที่เราไปเรียนที่คนที่เราไปเกี่ยวข้องคนที่เราไปคบนะแล้วแต่ว่าเราให้ค่ากับใครก็เข้ามงคลสามสิบดเนี่ยนะตามแนวมงคลสามดนั่นแหละว่าถ้าคบป่าประมิตร อากุศลสิบสองถ้าคบกรัลยาณมิตรก็มหาคุศนไม่นต้นรับกระทบสิ่งเดียวกันนะอีกช่วงหนึ่งต้องคิดแบบหนึ่งอีกช่วงหนึ่งคิดแบบหนึ่งก็แล้วแต่การสั่งสมมาใช่ไหมเช่นถ้าคบเพื่อนอีกอย่างหนึ่งถ้าเขาตบเรามาเราทำยังไ ง, องเอาคืนถ้าคบเพื่อนอีกแบบหนึ่งเขาบอกว่าหันแกถ้าเขาตบซ้ายหันหน้าขวาให้เขาตอบอีกข้างนี้รหรือเปล่า ก็แล้วแต่จะคิดนะนีแต่ว่าสรุปรวมๆก็แล้วแต่ว่าการไปเกี่ยวข้องกับรับที่ใดคําสอนใดมาเพราะว่าการที่จะเรารับถ้าสาวดีๆนะอากุศลเนี่ยเราแม้แต่เราโกรธบางเรื่องนะเราเรารู้ได้เลยว่ามาจากอะไรถ้าใครเป็นคนช่างสังเกตตัวเองหนึ่งนะเช่นเอาง่ายๆว่าแม้แต่คําที่เราพูดแต่ละคำเนี่ยมาจากไหนเป็นปัจจัยนี่เราพอรู้ได้ไหม แต่คนสร้างสังเกตนะคำนี้เราเราเป็นผลพวงมาจากอะไรทำไมเราจึงใช้ศัพท์เหล่านี้นนะก็ก็สามารถที่จะสังเกตได้ก็โดยรวมๆก็มาจากคนที่เราเกี่ยวข้อง น, นะคนที่เราเกี่ยวข้องพวกนี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นท่านมองในแง่เจตนาเหล่านี้ก็สุดแท้แต่คนที่เราเกี่ยวข้องถ้าไปเกี่ยวข้องเป็นพระพุทธเจ้าเลยอ้สมมติคบคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนอะไร ดูความพิสูจทั้งหลายจักรขู่เป็นของร้อนรูปเป็นของร้อนจักรขู่วิญญาณเป็นของร้อนจกักขูสัมผัสเป็นของร้อนแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาที่เกิดจากจักรขู่สัมผัสเ ป, เป็นปัจจัยก็เป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรเพราะมันเป็นที่ตั้งแห่งราคะไปคือราคะนะถ้าไม่เป็นไปตามแนวตัณหาละ่ะโทสะเกิดทั้งหมดนั้นก็ไม่พิจรารณาร้อนเพราะไฟคือราคะโทสะโมหะ ร้อนพระไฟคือชาติชรามมรณะโสกาปริเทวะทุกขโทมนัสและอ mm. ุปายาตเนี iz, enza, ่ยนะก็เป็นอย่างเงี้ยก็ทุกทวารทั้ง6ใช่ไหมทวารทั้ง6ร้อนหมดเลยพระพุทธเจ้าจะสอนอย่างงี้อริยสาวกเมื่อได้ยินอย่างนี้ย่อมเบื่อน่ายแม้ในจักขู่ย่อมเบื่อน่ายแม้ในรูปย่อมเบื่อน่ายแม้ในจักขูวิญญาณย่อมเบื่อน่ายแม่นจักขู่สัมผัสย่อมเบือหน่ายแมในสุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเมื่อเบื่อน่ายก็สิ้นตัณหาเนี่ยคลายกำหนับ หากสิ้นตันหาถ้าตันหาดับชาติก็ดับถ้าชาติดับชรามรณะก็ดับการดับทุกขก็มีได้ด้วยประการอย่างนี้แหละที่สุดแห่งวัตถุทุ ก, ก็มีด้วยประการอย่างนี้แหละนั่นนะเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องทวนมาหาเนี่ยกลับมาตามเดิมเนี่ยจนกว่าวัตถุเหล่านี้จะเป็นที่ตั้งแห่งความร้อนมันนั้นก็จะนําออกซึ่งจากพบสามนั่นนะแต่ถ้าไม่ไม่เข้าใจาเงื่อนไขกติกานะ การเจริญวิปัสสนาทำไมเราต้องมาเจริญเพราะเราจะไม่รู้ความเป็นมาเป็นไปไม่รู้เบื้องหน้าเบื้องหลังไม่มีกรรมสกตาเป็นต้นเนี่ยนะวิปัสสนาที่มาเห็นว่าตาไม่เที่ยงรูปไม่เที่ยงจกักรวิญญาณไม่เที่ยงภาษะเวทนาไม่เที่ยงเป็นต้นไม่รู้ได้ประโยชน์อะไรถ้าไม่ได้มีกรรมสกตาเพราะกรรมสกตาสัำมาที่ทิในเบื้องต้นจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆเลยเพราะเป็นตัวที่กําหนดแยกแยะว่าพบสามเข้าไปยังไงแล้วตัวที่นํา ให้กรรมเหล่านี้ให้ผลตัวหลักจริงๆคืออะไรคือตัณหาตัณหาตัวนี้นะมันไปดึงกรรมในอดีตมาให้ผลได้เอากรรมในชาติปัจจุบันนี้ให้ผลได้ถ้าสิ้นตัณหาก็ถือว่าเป็นอันสิ้นทุกละเนี่ยนะถ้าสิ้นตัณหาได้ปัญท่านบอกว่าถ้าชนะตัณหาก็ถือว่าชนะทุกทั้งปวงเนี่ยนะพันธะพ้นหลุดพ้นจากตัณหาดับตัณหาได้ก็พ้นจากทุกทั้งปวงแต่รู้เห็นอย่างไงคิดอย่างไงจึงจัก สิ้นตัณหาอั น, นั่นแหละที่เรียกว่าวิปัสนาสัมมาทิฏฐิที่เราจะต้องมาเจริญต่อไปว่าการเจริญวิปัสนาสัมมาทิฏฐิวัตถุประสงค์เพื่อต้องการดับตัณหาได้ดังนั้นการเจริญวิปัสนาเนี่ยนะก็วัตถุประสงค์ของวิปัสนาก็คือเพื่อความเบื่อหน่ายใช่ไหมแล้วคิดยังไงจึงจะเบื่อหน่ายในสิ่งที่เราชอบยังไงเนาะอาหารอร่อยอร่อยมื้อเช้านี้จะได้เบื่อสักทีอ่ะที่อร่อยด้วยนะถูกใจมากเลย ไม่ใช่ว่าไปสั่งอาหารบูดๆเน่าๆมาอย่างนี้ก็ไม่ให้เบื่อมันก็เบื่ออยู่แล้วล่ะเกือบหมดเวลาแล้วคุณบุญมีจะถามอะไรไม่มีอะไรจะถามครับอ๋อเข้าใจยากเหมือนกันนะคเนี้ไม่มีอะไรจะถามนี่ไม่ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรเพราะบางคนก็ถามไม่เป็นคำว่างั้น คือเรียนมาไม่วันนานแค่ไหนฮนานหรือไม่นานนะถ้าคนเข้าใจโครงสร้างอันนี้ก็บุญนักหนานแล้วครับบุญนักหนานแล้วผมบอกจริงนะถ้าคุณเข้าใจแค่นี้เนี่ยนะถามว่าทําไมจึงจึ ง, จ, งจึงต้องทําปริญญาเนี่ยขอโทษนะครับผมทําไมจึงต้องทําปริญญาเนี่ยก็เพราะว่า ไอ้สามอย่างนั้นวัตถุวิญญาณอารมณ์มันประชุมกันเนี่ยมันประชุมมันทุกครั้งเกิดเรื่องทุกครั้งเลยเพราะมันประชุมกันทีไรนะมันย่องตามาด้วยชาติทุกครั้งเลยเมื่อมันตามาเนี่ยนะเช่นมันประชุมก็แล้วเกิดผัสสะผัสสะแล้วเกิดให้เวทนาเวทนาถ้าวมาเกิดตัณหาตัณหาอุปาทานอุปาทานให้ทํากรรมกรรมแล้วจึงทําให้ไปได้ชาติใหม่เนี่ย เกิดขึ้นมาเป็นคนเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะแล้วก็ตามมาด้วยทุกชราโมลณะเนะดี๋ยวทุกทั้งมวลเนี่ยนะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยถามว่าเราจะดับทุกตอนท้ายท้า ย, ายขวามือทั้งสุดเนี่ยจะดับได้ยังไงดับก็โดยที่ต้องไปเอาอีกสามตัวนั่นแหละทั้ง6ทวาร น, น่ยซึ่งเป็นปิยรูปเขรียกว่าปียรูปสาธารู ป, รปเอาอันนั้นแหละ เอามาทำปริญญาจนท่วนทั่วโดวยรู้ลักษณะด้วยรู้คุณรู้โทษรู้อุบายเครื่องสลัดออกนะถ้ารู้เมื่อไหร่แล้วก็หมายความว่าเออไอ้ดับปัญหาอันเนี้ยดับเข้าไปไปเข้าไปดับในความติดข้องในในในปิยารูปสารรูปได้นี่คือหลักการสําคัญมากเลยใช่ไห ม, มเขาเอามาทําปริญญาอะทําปริญญาแล้วเมื่อเมื่อทําปริญญาก็ทําให้ให้เห็นโทษใช่ไหมให้เห็นโทษ <c oughs> ก็จะเห็นว่าถ้าทําปิญญาเราจะเห็นทั้งหมดเลยทั้งโทษเมื่อโทษแล้วก็เกิดเกิดเบื่อหน่ายใช่ไหมถ้าคนเห็นโทษแล้วใครใอยากไปเอาอีกไหมก็ไม่มีใครอยากไปเอาอีกใช่ไหมเมื่อเห็นโทษจริงๆแล้วนะแต่ก่อนจะเห็นโทษทําไงก็ต้องเอามาทําปริญญาถามว่าปริญญาทําไงบ้างนั่นแหละปริญญาทําไงบ้างครับทําปัญญาทําไงบ้าง ปริญญา้เขาว่าเขาไปรอบรู้หมดทุกอย่างเลยถ้าเป็นแบ่งเป็นหัวเ้อวันหนึ่งรอบรู้ลักษณะและปัจจัยสองรู้การมเหตุเกิดของมันสามรู้ความดับของมันสี่รู้ปฏิปทาหนทางที่จะเป็นดับของมันตีรู้อาสสทาห้ารู้อาทินวะหกรู้นิสระณะนี่แหละ <c oughs> นั่นแหละคือการปริญญาถ้ารู้จริงนะก็เห็นโทษแน่ เวลาแล้วครับ